วันนี้เป็นวันเสาร์ที่27สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้หกสิบสี่เป็นวันที่มีการแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้ศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตฝ่ายธรรมจึงได้เดินทางมาเพื่อที่จะได้ ยินได้ฟังทมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า <zi> ซึ่งเปรียบเหมื Genesis ime, อนแสงสว่างในที ime, ่มืดการมีแสงสว่างในที่มืดนี้ทำให้การกระทาอะไรต่างๆนั้นเป็นไปได้อย่างราบเรื่อและปลอดภัยถ้าขาดแสงสว่างการกระทาใดๆต่างๆ ก็มักจะไม่สามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นได้ได้ผลดีชีวิตของพวกเรานี่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็เหมือนกับผู้ที่อยู่ในที่มืดอยู่ในสถานที่ที่มืดในยามค่ำคืนแล้วก็ไม่มีแสงสว่าง ต่างๆเช่นแสงไฟฟ้าหรือแสงเทียนแสงไฟฉายการจะทำอะไรในที่มืดนั้นก็ย่อมเป็นไปได้ยากและไม่ได้ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการชีวิตของพวกเรานี้ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็จะเป็นเหมือน มาเกิดอยู่ในที่มืด <c oughs> ไม่รู้ว่าความสุขความทุกข์นั้นอยู่ตรงไหนกัน <c oughs> เราก็เลยต้องใช้การคำไปคำผิดคาถูกซึ่งมักจะไปคำผิดมากกว่าคำถูกมักจะไปเจอความทุกข์มากกว่าไปเจอความสุขต่างๆชีวิตของพวกเราลองสังเกตดู ตั้งแต่เราเกิดมานี่เราเจอความทุกแทบทุกวันเลยก็ว่าได้อันนี้คือความทุกข์ทางใจเกิดมานี่ใจของเรามักจะมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆไม่สบายใจกับเรื่องนั้นก็ไม่สบายใจกับเรื่องนี้ไม่สบายใจกับคนนั้นก็ไม่สบายใจกับคนนี้ อันนี้เป็นเพราะว่าเราไปหามันเองเราไม่รู้ว่าเรากำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับตัวเราเองเพราะเราคิดว่าเรากำลังหาความสบายใจหาความสุขให้กับเราแต่แทนที่เราจะได้ความสุขความสบายใจจากสิ่งต่างๆที่เราหากัน เรากลับไปเจอแต่ความทุกข์ต่างๆอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นั่นเพราะเป็นเพราะว่าเราเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดมองไม่เห็นอะไรต่างๆ <c oughs> เราก็ต้องลอ ง, ลองใช้มือคำดูคำแล้วก็หยิบเอามาดูว่าเป็นอย่างไรส่วนบางทีก็ไปเจอหยิบงูเข้ามาก็ถูกงูกัดไปหยิบมแมลง ก็ถูกมแมลงกัด <c oughs> แต่ถ้าเรามีแสงสว่าง <c oughs> เช่นมีไฟฟ้าในยามค่ำคืน <c oughs> เราก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ <c oughs> มองเห็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราได้ <c oughs> มองเห็นสิ่งที่จะให้ความสุ ข, ขกับเราได้ <c oughs> เราก็เลือกหาได้ตามความต้องการของเรา <c oughs> เราก็จะเลือกหาแต่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราหาสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ไม่หา <force> เราก็หลบเราก็หลีกไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตของพวกเรากับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เป็นแสงสว่างในที่มืด ชีวิตของพวกเราคือจิตใจที่มืดบอดที่ถูกสิ่งมืดบอดปกปิดไว้สิ่งที่ปกปิดนี้เราเรียกว่าโมหะอาวิชชาโมหะแปลว่าความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบวัวเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นสุข เราจึงมากไปคว้าทุกข์เพราะเราคิดว่าเป็นความสุขกันแล้วก็ต้องมาร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกพวกเราให้รู้ว่า<ม>สิ่งไหนเป็นความสุขสิ่งไหนเป็นความทุกข์ แล้วถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำกันเราก็จะได้ความสุข <c ười> ความทุกข์ที่เราเคยได้ก็จะหายไปเพราะเราจะไม่ไปหาความทุกข์มาใสา่ใจของเรา <c ười> เราจะหาแต่ความสุขมาใส่ใจของพวกเราเพียงอย่างเดียวต่อ <c ười> ไปใจของเราก็จะมีแต่ ความสุขเพียงอย่างเดียวเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอานันตสาวกทั้งหลายใจของท่านเมื่อก่อนก็มืดบอดเหมือนใจของพวกเราแต่พอท่านได้พบแสงสว่างแห่งธรรมท่านก็สามารถที่จะเลือกหาสิ่งที่เป็นความสุขให้กับตนเองแล้วก็เลือก ไม่เอาความทุกข์ที่มาให้กับตนเองได้ท่านก็เลยมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์นับตั้งแต่ท่านได้บรรลุธรรมได้แสงสว่างแห่งธรรมแบบสมบูรณ์คือธรรมขั้นสูงสุดคือท่านพระอรหันต์สาวก ถ้าเป็นสาวกก็เป็นพระอาหารหันตสาวกถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาหารหันต์ตัมมาสามพุทธเจ้าคำว่าอาหารหันต์ก็คือการได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมอย่างเต็มร้อยในศาสนาพุทนี้การเข้าสู่สแสงสว่างแห่งธรรมนี้แบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันสี่ระดับด้วยกัน ขั้นที่หนึ่งก็ขั้นสโสดาบันขั้นที่สองก็ขั้นสกิดาคามีขั้นที่สามก็ขั้นอนาคามีขั้นที่สีก่ก็คือขัน้นพระอรหันต์แต่ละขั้นนี้จะได้แสงสว่างเพิ่มขึ้นทีละทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นเป็นส่วนๆไปเหมือนกับการได้แสงสว่าง ของดวงจันทร์ดวงจันทร์นี้จะไม่สว่างเต็มดวงทันทีดวงจันทร์นี้จะค่อยๆสว่างขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งดวงจันทร์ถึงจะสว่างเต็มร้อยสักครั้งหนึ่งอันใดการปฏิบัติทำตามคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ผู้ปฏิบัติก็จะได้รับแสงสว่างแห่งธรรมเป็นขั้นๆไปด้วยการกําจัดสิ่งที่มาปกปิดใจไม่ได้ให้รับแสงสว่างของธรรมนั่นเองสิ่งที่ปกปิดก็คือโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาที่จะได้รับการกําจัดจากการปฏิบัติทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะสามารถเปิดแสงสว่างแห่งธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับถ้าเป็นไฟฟ้าก็เป็นหลอดไฟถ้าเราเปิดไฟหลอดหนึ่งแสงเราก็ได้แสงระดับหนึ่งเปิดสองหลอดเราก็จะได้แสงสว่างเพิ่มขึ้นพอเราเปิดทั้งสี่หลอดนี้เราก็จะได้แสงสว่างเต็มร้อย การปฏิบัติทำทางพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจะได้รับแสงสว่างไปทีละดวงทีละดวงดวงแรกก็เรียกว่าโสดาบันดวงที่สองก็เรียกว่าสกิรดาคามีดวงที่สามก็เรียกว่าอนาคามีดวงที่สี่ก็เรียกว่าอารหรันต ได้ดวงที่สี่ก็จะเห็นแสงสว่างครบไปหมดทุกสัตว์ทุกส่วนทุกไม่มีที่ไหนเป็นที่มุมเป็นที่มืดเป็นที่มุมอับ เ, <ๆ>เห็นหมดสว่างจ้ารอบเปหมดถ้าเปิดสามดวงนี้ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เห็นสองดวงก็ครึ่งหนึ่งมองไม่เห็นครึ่งหนึ่งาการบรรลุเป็นพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ มีดวงดวงตาเห็นธรรมเต็มร้อย<ม>เพียงแต่ได้เริ่มสัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมหนึ่งดวง<ม>ถ้าเป็นหลอดไฟก็ได้เปิดสวิตไฟหนึ่ง<ม>หนึ่งหนึ่งสวิต ท, ทำให้เกิดมีหลอดทำให้หลอดไฟปรากฏแสงสว่างขึ้นมามแต่ต้องไปหาสวิต ท, ที่สองที่สามที่สี่ต่อไปถึงจะสามารถเปิดไฟทั้งสี่หลอดให้ สว่างเต็มที่ได้การปฏิบัติทางาศาสนาก็เป็นอย่างนี้เป็นขั้นขั้นและแต่การสำเร็จของแต่ละท่านนี้ก็อาจจะมีไม่เหมือนกันบางท่านก็ช้าบางท่านก็เร็วหมายถึงว่าจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองบางท่านก็ใช้เวลามากบางขั้นที่ก็าใช้เวลาน้อย ขั้นที่สามขั้นที่สี่ก็เช่นเดียวกันแต่ละท่านนี้สาเร็จชา้าหรือสาเร็จแล้วนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางปัญญาของแต่ละท่านความปัญญาก็คือความฉลาดความสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้ช้าหรือเร็วซึ่งเราคงจะเห็นได้ในโรงเรียนในห้องเรียนแต่ละชั้นนี้ จะมีนักเรียนที่มีความสามารถเรียนรู้นี้ไม่เท่าเทียมกันบางคนฉลาดมากเรียนรู้ได้ไวคาารูอาจารย์สั่งอาจารย์สอนพูดอะไรปักก็เข้าใจบางคนก็ต้องใช้เวลาไปนั่งอ่านไปนั่งทบทวนหรือบางทีต้องไปให้ติวเตอร์ช่วยติวให้พวกนักเรียนบางคนนี้จริงต้องไปเรียนพิเศษกัน เพราะว่าเรียนภายในหะ้องเรียนแล้วเวลาครูอธิบายให้ฟังนี้ยังไม่เข้าใจแกมแจ้งเลยต้องไปหาครูพิเศษมาช่วยสอนให้อีกทีมาสอนให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจนั้นภูมิปัญญาความสามารถเรียนรู้ของผู้ปฏิบัตินี้จะ มีมากน้อยไม่เท่ากันบางท่านนี่กว่าจะเข้าใจแต่ละขั้นก็ต้องใช้เวลาอย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่นักเรียนห้าคนนักเรียนที่ฟังธรรมห้าคนคือพระปัญจวัคคีพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยรร 4, สัจสี่ทรงแสดงมรรคแปดทรงแสดง ใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาให้กับนักเรียนฟังห้าคนด้วยกันพอแสดงธรรมจบนี้มีเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจหลักธรรมของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากว่าเป็นอย่างไรยิ่งทำให้ท่านสามารถทำให้เกิด นิโรธขึ้นมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของท่านได้ในขณะที่ฟังอันนี้แต่อีกสี่ท่านนี้ยังไม่เข้าใจนนบางทีท่านพวญาติโยมอาจจะเคย ส, สงสัยไว้ททำไมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งแรกให้กับนักเรียนห้าคนให้แก่พ้าปัญจวัคคีแต่ทำไมมีนักเรียนเรียนจบเพยงคนเดียว คือได้ความรู้ได้ความเข้าใจเพียงคนเดียวเพราะนักเรียนคนนั้นเป็นนักเรียนที่มีความฉลาดแหลมคมมากกว่ารับนักเรียนอีกสี่คนนั่นเองถ้าเปรียบเทียบในห้องเรียนเวลาอาจารย์สอบพภูมิปัญญาของนักเรียนก็จะได้ผลต่างกันนักเรียนบางคนก็ได้สี่จุดบางคนก็ได้สามจุดบางคนก็ได้สองจุด บางคนได้ต่ำกว่าสองจุดก็มีนจึงทําให้การเรียนรู้นี้ไม่เท่าเทียมกันเวลาทําข้อสอบจึงไม่สามารถทําข้อสอบได้เท่าเทียมกันคนที่มีภูมิปัญญาสูงพอฟังอะไรพบเข้าใจทันทีพอพูดว่าทุกข์สมุทัยนี้รุนแรงมากเป็นอย่างไรเข้าใจทันทีเข้าใจคือทุก ความทุกข์ก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจว่าเกิดจากสมุทยัยสมุทัยคืออะไรสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่อะไรก็ได้แต่ความอยากต่างๆอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ทุกพอไม่ได้พออยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกอันนี้ คนที่มีภูมิปัญญาจะเข้าใจเนี่ยแต่คนที่ไม่มีภูมิปัญญาจะไม่เข้าใจกลับจะสงสัยว่าไอ้ความอยากไปเที่ยวนี้มันดีนะเพราะถ้าไม่อยากไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้มีความสุขกลับไปมองแบบอวิชชาแบบโมหะไม่มองตามปัญญาว่าแล้วถ้าเวลาอยากอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเป็นยังไง เช่นตอนนี้เราถูกกักอยู่ในบ้านกันเสียส่วนใหญ่จะไปไหนมาไหนก็ไปไม่สะดวกเวลาต้องอยู่ในบ้านนานๆานานเข้าเราก็เกิดความรู้สึกหงุดหงิดเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมานั่นแหละถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าความหงุดหงิดความไม่สบายใจของเรานี้มันเกิดจากความอยากออกไปข้างนอกบ้าน อยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรต่างๆแต่เวลาใดที่เราไม่มีความอยากออกนอกบ้านนี้เราจะรู้สึกว่าอยู่บ้านนี่มีความสุขด้วยกันท<ม>างคนมีปัญญาจะรู้ทันทีจะเข้าใจทันทีว่าความทุกข์ส่วนหนึ่งนี้เกิดจากความอยากของตนเองมีหลายอยากมีความอยากหลายแบบอยากได้อยากไปเที่ยวอยากได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส ก็เรียกว่าความอยากในกามารมณ์ต่างๆการมคุณรูปเสียงกลิ่นรสคือกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนี้เรียกว่ากามคุณห้าการอยากได้เศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนี้เรียกว่ากามตัณหาความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจจะเริ่มกังวลกังวายกระสับกระส่ายจะได้ไปหรือเปล่าเนาะฉันอยากจะออกไปนอกบ้าน แล้วต้องขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนใจก็เริ่มกังวลแล้วว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปความไม่สบายใจก็ปรากฏขึ้นมาก่อนนะเล็กน้อยถ้าไม่ได้คิดอยากจะออกไปนอกบ้านก็ไม่ต้องมากังวลกวายไม่ต้องมากังวลว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปอยู่บ้านเฉยๆสบายมีความสุขถ้าไม่มีความอยากออกนอกบ้าน นี่คือสมุทัยต้นเหตุของความไม่สบายใจนิโรธคือการการดับของความไม่สบายใจคือการการหายไปของความไม่สบายใจเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่เรา เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจจากการอยากจะออกไปนอกบ้านมาเปลี่ยนว่าไม่ไปดีกว่าออกไปแล้ววุ่นวายเดี๋ยวไปติดเชื้อโรคไปติดอะไรต่างๆก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่าเพราะเห็นว่าการออกไปนี่เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขก็เลยเปลี่ยนใจว่าไม่ไปดีกว่าไม่อยากออกไปนอกบ้านพอไม่อยากออกไปนอกบ้านความหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากออกไปนอกบ้านก็หายไป อยู่บ้านได้สบายต่อไปเหตุที่ทำให้ความไม่สบายหายใจไปก็เรียกว่าปัญญานี่เองคือมรรคมรรคคือปัญญาการเห็นว่าการจะทำในสิ่งที่เราอยากทำนี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันกลับให้ความทุกข์กับเราให้โทษกับเราพอเราเห็นว่ามันเป็นโทษ ออกไปนอกบ้านแล้วเดี๋ยวาอาจจะไปติดเชื้อโรค ก, กลับมาเราจะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายและอาจจะถึงแก่เสียชีวิตได้เราก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปดีกว่าหยุดความอยากด้วยปัญญา<ม>เห็นโทษของการออกไปนอกบ้านเห็นทุกข์ที่จะเกิดตามมาอันนี้เรียกว่ามร ควาจริงมากนอกจากปัญญาแล้วก็ยังมีองค์อื่นด้วยคือมีสมาธิมีสีมีทานแต่สุดท้ายนี้ต้องใช้ปัญญาตัวเดียวที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนใจของเราได้เปลี่ยนใจจากการต้องการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นใจที่ไม่ต้องการไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเห็นด้วยปัญญาว่า สิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ได้มาแล้วจะทำให้ทุกข์ก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่การที่จะมีปัญญาขึ้นมาได้นี้จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนและการที่จะมีสมาธิขึ้นมาได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุน การที่จะมีศีลได้ก็ต้องมีการทำบุญทาทานเป็นผู้สนับสนุนนี่คือมรรคเนี่ยมีแบ่งเป็นสีระดับเหมือนกันเหมือนกับระดับของการบรรลุธรรมมีสีระดับการที่จะเจริญมรรคนี้ก็มีสีระดับมรรคคือเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนใจของเราจ S <S <an> การสร้างความทุกข์มาเป็นการดับความทุกข์ด้วยการหยุดความอยากต่างๆ <S <S <an> <S <S <an> เราจึงต้องมีการทำบุญทำทานมีการรักษาศีลมีการฝึกนั่งสมาธิแล้วก็มีการเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์เราถึงจะสามารถที่จะใช้ปัญญานี้ มาเป็นมรรคเพื่อมาระ ง, งับความอยากต่างๆได้เปลี่ยนใจที่อยากให้เป็นใจที่ไม่อยากด้วยการเห็นโทษของการไปทำสิ่งต่างๆตามความอยากว่าจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเปล่าๆทาไปแล้วถ้าเรารู้ว่าทำไปแล้วทำให้เราไม่สบายใจเราก็ไม่ทำดีกว่าที่เราทำกันนี้ส่วนใหญ่เราคิดว่า ทำเพื่อให้เราสบายใจกันทำเพื่อให้เราสุขใจกันแต่ความคิดของเรานี้มันไม่รอบคอบเรามองไม่เห็นว่ามันทำให้เราไม่สบายใจในภายหลังเพราะส่วนใหญ่เราจะมองเห็นแต่ส่วนที่ทำให้เราสบายใจ เช่นเวลาเราอยากจะไปนอกบ้านไปเที่ยวนี้เราก็จะเห็นแต่ความสบายใจที่จะเกิดขึ้นโอ้ยถ้าเราได้ไปเที่ยวแล้วเราจะมีความสุขมีความสบายใจแต่เราไม่ได้มองกลับมาแล้วถ้าเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาแล้วความสุขของเรามันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีนะ เช่นอาจจะไปเกิดไปเจออุบัติเหตุก็ได้ถ้าเราอยู่บ้านนี้โอกาสที่จะไปเสี่ยงกับอุบัติภัยต่างๆก็ไม่มีแต่พอออกไปนอกบ้านเราต้องเดินทางด้วยรถยนต์หรือเดินทางด้วยพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งโอกาสที่จะมีการผิดพลาดมีอุบัติเหตุกเกิดขึ้นมาก็ย่อมมีขึ้นมาได้อาจจะกลายเป็น คนพิการก็ได้เช่นบางท่านขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปล้มหัวพาดหัวฟาดศรีรษะภาดพื้นทำให้สมองออไม่ทำงานไม่สั่งการให้ร่างกายอาไ ว, ว้ว่าแขนขาเคลื่อนไหวได้ก็กลายเป็นคนเอามาเพิกกำมาาดไป ท, ทันทีถ้าคนที่คิดรอบคอบแล้วมังจะ ไม่อยากจะทำอะไรที่จะทำให้เกิดภัยอันตรายแก่ตนเองอันนี้คือปัญญาการแต่ก่อนที่เราจะใช้ปัญญาได้นี้เราก็ต้องฝึกจิตให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ก่อนเพราะจิตที่ไม่สงบนี้จะเป็นจิตที่มีอารมณ์คอยมาผลักดันมากกว่าเหตุผล พออยากได้แล้วนะต่อให้มาช่างมาฉุดก็ไม่ยอมไม่ไ ม, ไม่ไม่ฟังถ้าชอบอะไรอยากจะได้เลยต้องเอาให้ได้ถึงแม้จะไม่ถึงแม้จะ ม, มจะมีคนที่เขารู้บอกว่าได้มาแล้วจะมีปัญหามีเรื่องมีปัญหาตา ม, มานะก็มองไม่เห็นเห็นแต่ประโยชน์ที่จะได้เพียงอย่างเดียวเพราะเวลาเกิดมีอารมณ์แล้วเวลาชอบอะไรแล้วจะเห็นแต่ส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีจะมองไม่เห็น ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มาเนี้ยมันมีทั้งส่วนที่ดีและมีส่วนที่ส่วนที่ไม่ดีมาร่วมกันมันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านเนี่ยถ้าเรามองเหรียญด้านเดียวเราก็จะคิดว่าเหรียญ น, นี้เหมือนกันทั้งสองด้านมีด้านนี้เป็นอย่างไรอีกด้านหลังก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราสงสัยว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าแล้วก็ลองพลิกเหรียญดูเลย อพอเพ็กเหรียญดูอีกด้านหนึ่งมันไม่เหมือนกับด้านที่เราเห็นอยู่เหรียญมันมีสองด้านทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีสองด้านมีสุขแล้วมีทุกข์ตามมาบางอย่างก็ทุกข์มาก่อนแล้วก็สุขตามมาบางอย่างสุขมาก่อนแล้วทุกข์ตามมาส่วนใหญ่พวกเราเป็นพวกไม่ฉลาดนี่เรามักจะไปหาสิ่งที่มาก่อนคือสุขมาก่อน แล้วทุกตามมาทีหลังนี่เรามองไม่เห็นกันเราถึงมาเสียอกเสียใจมาร้องห่มร้องไห้ในภายภาคหลังเวลาที่ความทุกข์ที่เร า, เาที่เราได้จากการได้ความสุขมามันโผล่ขึ้นมานั่นเองแต่สำหรับคนที่ฉลาดนี้นองจะเห็นว่าสู้ไปหา สิ่งที่เป็นทุกข์ก่อนดีกว่าพอมันทุกข์แล้วเดี๋ยวก็จะได้สุขตามมาทีหลัง อ, อย่างไหนจะดีกว่ากันสุขก่อนแล้วค่อยมาทุกข์แล้วทุกข์ก่อนแล้วค่อยสุขสุขมันก็จะสุขไปตลอดเพราะไม่มีอะไรตามมาแล้วหลังจากที่ทุกข์มันผ่านไปแล้วก็เหลือแต่สุขถ้าเอาสุขก่อนเดี๋ยวสุขผ่านไปก็เหลือแต่ทุกข์แล้วก็ยะทุกไปเรื่อย จะเ อ, อย่างไรเห็นต้องหัดคิดทางปัญญาต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลให้รอบครอบแต่จะคิดด้วยปัญญาได้นี้ต้องมีใจที่เย็นใจที่สงบใจที่ปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงถ้ามีความรักแล้วเห็นอะไรก็จะเห็นอะไรชอบก็จะรักอย่างสุดๆแล้วเดี๋ยวพอสิ่งที่รักเปลี่ยนไปก็เลยมา เลียอย่างสุดๆเนีเพราะว่าไม่ได้มองแบบรอบครอบถ้ามองด้วยปัญญามองด้วยใจที่ไม่มีอารมณ์รักนี่ก็จะคิดว่าว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามของทุกอย่างมันมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงเวลาของใหม่ๆนี้เห็นอะไรก็ น่ารักน่าดูน่าชมไปหมดแล้วดูของที่เราซื้อมาที่ใหม่ๆนี่น่าดูน่าชมพอเราใช้ไปใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นอะไรไปมันกลายเป็นของเก่าไปจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเริ่มเสียเริ่มใช้ไม่ได้ต้องไปซ่อมต้องเอาไปาทําอะไรต่างๆให้มันใช้ได้ ซ่อมอยังไงใช้ยังไงมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆสิ่งของต่างๆเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองมันมีการเจริญแล้วก็มันก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา คนที่ไม่มีปัญญานี้จะไม่มองเห็นความเสื่อมจะไม่คิดถึงความเสื่อมจะคิดแต่ความเจริญได้อะไรมาแล้วจะคิดว่าจะเจริญจะดีจะงามไปเรื่อยๆจะไม่มีวันเสื่อมแต่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ด้วยปัญญาว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เสื่อมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อมีการเกิดแล้วก็มีการ เสือมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะสามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้มันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใครไปสั่งว่าสิ่งนี้จะต้องดีไปตลอดไม่มีใครทำได้นี่คือปัญญาการจะมีปัญญานี้จาเป็นที่จะต้องทำจิตใจให้ให้ว่างให้สงบก่อน พอ เ, เวลาใจว่างใจสงบนี้อารมณ์ที่คอยหลอกล่อใจนี้จะหายไปอารมณ์ที่หลอกล่อใจเราอยู่เรื่อยๆคืออะไรก็คือความรักความชังความกลัวความหลงนีเง่เวลาเราเห็นอะไรนี้เรามักจะมีอารมณ์กับสิ่งที่เราเห็นทันทีถ้าไม่รักก็ชังถ้าไม่ชังก็กลัวถ้าไม่กลัวก็หลงหลงก็คือว่ามันเป็นอะไรกันแน่ดีไม่ดีไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันดีแล้วไม่ดีอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงกลัวนี่เรารู้เห็นงูปั๊บนี่เรากลัวขึ้นมาทันทีเห็นของสวยๆงามๆเห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเครื่องสำอางเห็นเครื่องประดับเห็นสร้อยคอเห็นเพชรแหวนเพชรเห็นอะไรนี่พอเห็นปั๊บนี่ความรักเกิดขึ้นมาทันที ความชอบความอยากได้เกิดขึ้นมาทันทีพออยากได้แล้วทีนี้จะมองไม่เห็นว่ามันมีโทษตามมามันมีทุกข์ตามมาด้วยถึงแม้ว่ามันจะให้ความสุขกับเรามันก็ให้ความทุกข์กับเราได้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเช่นอยากได้เห็นเพชรเห็นแหวนเพชรอยากจะได้ซื้อมาซื้อมาโทษตามทุกข์ตามมาแล้วโดยไม่รู้สึกตัว ถ้าเราซื้อด้วยเงินผ่อนนี่ก็เป็นทุกข์แล้วนะเพราะว่าต้องมาทุกข์กับการผ่อนซื้อของอะไรมามถ้าไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดก็ต้องต้องผ่อนผ่อนก็ต้องมีภาระคอยที่จะต้องคอยหาเงินมาผ่อนส่งของที่เราซื้อหรือว่าถ้าใช้เงินสดเงินที่สำรองไว้ใช้ในกรณีที่ขาดแคลนก็จะหายไป แล้วเราก็ต้องมาทุกขกับการคอยเฝ้าดูแลรักษาของที่เราซื้อมาด้วยเมื่อการไม่มีแหวนเพชรนี่ไม่ต้องกังวลนี่พอมีแหวนเพชรแล้วนี่ต้องหาที่เก็บแล้วเวลาใส่ก็ต้องระมัดระวังเวลาที่ไปไหนก็ต้องไม่ถอดออกจากนิ้วถอดออกแล้วเดี๋ยวบางทีเผลอลืมเอาเอ า, เอามาใส่ใหม่ก็ทิ้งไว้ได้ ก็กลายเป็นภาระทางใจขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็คือความทุกข์ต่างๆที่เราไม่เห็นกันเพราะเราคิดว่าเรามีความสุขจากการที่เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆ ท, ที่เรากำลังทุกข์กับสิ่งที่เรามีอยู่ <c oughs> นี่คือเราจึงต้องทาใจให้เป็นกลางก่อนถ้าเราทาใจให้สงบเป็นสมาธินี้ อารมณ์ต่างๆคืออารมณ์รักชังกลัวหลงนี้จะถูกระงับไปชั่วคราวไม่หายไปตลอดเวลาจิตนิ่งสงบเต็มร้อยนี้รักชังกลัวหลงนี้จะหายไปชั่วคราวพอจิตออกจากสมาธิออกจากความสงบมาพอเริ่มมาคิดปรุงแต่งมาเริ่มสัมผัสกับสิ่งต่างๆอาการรักชังหลงก็จะกลับขึ้นมาได้ใหม่ พอกลับมาเห็นภาพเห็นร really ูปเห็นอะไรที่เราเคยชอบมันก็จะชอบขึ้นมาใหม่เห็นรูปที่เราชังมันก็จะเกิดความชังขึ้นมาใหม่เห็นสิ่งที่เรากลัวมันก็จะกลับสร้างความกลัวกลับขึ้นมาใหม่เห็นสิ่งที่เราหลงมันก็จะทำให้เราหลงเหมือนใหม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ ความสงบของเราเริ่มจางหายไปนั่นเองแต่ถ้าเรามันทำความสงบอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆวันๆหนึ่งนี่พยายามเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาออกมาก็ออกมาไม่นานเวลาออกมาก็คอยควบคุมใจเรายังสามารถควบคุมอารมณ์ได้ถ้าเราใช้เครื่องควบคุมอารมณ์เครื่อง ค, ควบคุมอารมณ์นี้มันมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกก็คือสติ ถ้าเราต้องการให้ใจเราว่างจากอารมณ์เวลาที่เราไม่อยู่ในสมาธิเราต้องมีสติจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นถ้าเราจดจอ่ออยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปภายในใจถึงแม้จะเห็นแหวนเพชรก็จะเฉยได้เห็นอะไรน่ากลัวเห็นงูนี่ก็จะเฉยได้ถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจควบคุมอารมณ์มาไว้ อันนี้คือวิธีปฏิบัติของผู้ที่ต้องการที่จะควบคุมอารมณ์คือการเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิเพราะว่าถ้าต้องการควบคุมอารมณ์ให้มันว่างร้อยเอร์ซตนี้ต้องเข้าสมาธิเวลาที่ยังไม่เข้าสมาธินี้ก็มันก็ยังมีอารมณ์เกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องใช้สติพยายามหยุดมัน บางทีก็อาจจะหยุดได้บางทีก็อาจจะหยุดไม่ได้ขึ้น อ, อยู่ว่าอารมณ์นั้นมันมีกำลังมากกำลังน้อย <S <S ถ้ามีกำลังมากกว่าสติอารมณ์นั้นก็จะไม่หยุดเช่นเวลากลัวอะไรมากๆนี้ถึงแม้ว่าจะสวดมนต์ถึงแม้่จะท่องพุโทโธพุทโธแต่มันก็ยังไม่สามารถทำให้ความโกรธนั้นหายไปได้ทันทีอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร อาจจะต้องท่องพุโทโธพุธโทโธหรือสวดมนต์ไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งความกลัวนั้นถึงจะสงบตัวลงได้แต่ถ้าเรามันฝึกบ่อยๆสติของเรานี้จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะทำให้ <c oughs> เรานี้สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลาดับต่อไปความรักชังกลัวหลงนี้จะ จะเบาบางลงไปแต่จะไม่มีวันหายจากการใช้สติเป็นเครื่องควบคุมอารมณ์ความรักชงังโกรธนี่จะหายไปได้หมดนี่ต้องใช้ปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเราจะสามารถเห็นเห็นอะไรเรารักเราก็สามารถมองเห็นว่าสิ่งที่เรารักนี้มันไม่เที่ยมมันเป็นอนิจจ่าเราไม่ เดี๋ยวมันก็ ต, ต้องเปลี่ยนไปจากของสวยงามก็กลายเป็นของเก่าไปของไม่สวยงามได้ อ, อยากของดีก็กลายเป็นของเ ส, สียได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงความอยากได้สิ่งนั้นก็อาจจะหายไปความรักสิ่งนั้นก็อาจจะหายไปได้แล้วจะหายอย่างถาวรเพราะต่อไปทุกครั้งที่เราเห็นอะไรปั๊บเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงทันทีเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันไม่ดีไป ตลอดเวลามันเป็นของชั่วคราวดีชั่วคราวสวยงามชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปกลายเป็นของไม่สวยไม่งามไปอันนี้คือถ้าเราใช้ปัญญาเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆได้หมดความรักชังกลัวหลงนี้จะถูกปัญญากำจัดได้หมด พอไม่มีความรักชังโกลงแล้วใจก็จะว่างใจก็จะสงบใจก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความอิ่มความพอภายในตัวของความว่างนี้จะทำให้ใจอิ่มทำให้ใจพอจะไม่มีความอยากได้อะไรเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่อยากได้มานี้จะเป็นโทษจะเป็นทุกข์และจะไม่ได้ให้ความสุขอย่างถาวรให้ความสุขแบบชั่วคราว แล้วพอความสุขนั้นหมดไปก็จะทำให้ต้องดิน้นหาความสุขใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้คืบก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาได้วาก็อยากจะได้หลายวาเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆนี่ได้วันละร้อยนี่นดีใจ พอโตขึ้นมาวันละร้อยนี่ไม่พอแนละ้วต้องได้วันละพันพอได้วันละพันต่อไปก็ไม่พออยากจะได้เป็นสองพันสามพันได้กี่พันได้กี่ร้อยกี่หมืน่นก็ไม่พอเพราะความอยากมันไม่ได้ทําให้ใจพอแนะั่นเองการที่จะทําให้ใจพอได้ก็คือการหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากได้ด้วยปัญญาแล้วจะไม่มีความอยากได้ ร้อยบาทก็ไม่อยากได้พันบาทก็ไม่อยากได้แสนบาทก็ไม่อยากได้ล้านบาทก็ไม่อยากได้เพราะใจไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทองมาให้ความสุขกับตนใจที่ไม่มีความอยากนี้เป็นใจที่มีความสุขในตัวเป็นความเยอะเป็นความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านติสันติปรังสุขขัง สุเอื่อนที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีความสงบนี้ก็เกิดจากการใช้สติหรือใช้ปัญญาระ ง, งับอารมณ์ต่างๆนั่นเองพอไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆก็ทําให้ใจสงบขึ้นมาพอใจสงบใจก็อิ่มใจก็สุขใจก็พอไม่หิวไม่โหดเหมือนกับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆ ความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆให้ความอิ่มเดียวๆเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาอีกล่ะได้รองเท้าคู่หนึ่งวันนี้ดีใจไปวันสองวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปเดินห้างไปเจอคู่ใหม่สวยกับคู่เก่าก็อยากได้ขึ้นมาอีกล่ะเพราะใจของเรามันมีอารมณ์อยากมีอารมณ์รักอยู่ตลอดเวลานั่นเองเห็นอะไรเดี๋ยวก็อดที่จะรักที่จะชอบไม่ได้ก็จะอยากได้ขึ้นมา แ้วเวลาไม่ได้ไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจเห็นเราเห็นโทษของความอยาก <c oughs> ว่าหนึ่งมันไม่ได้ทําให้เราอิ่มเราพอมันจะทําให้เราหิวให้เราอยากอยู่เรื่อยๆสองเวลาที่ไม่ได้ดังใจอยากก็จะทําให้เราโกรธหรือทําให้เราเสียใจ <c oughs> ถ้าเห็นโทษของความอยากก็อาจจะทําให้เรา เื่องความอยากกันได้พยายามฝืนความอยากกันไป แล้วถ้าเราฝืนความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันจะหมดกําลังไปในตัวของมันเพราะความอยากนะี้มันจะเจริญเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราตอบสนองความอยากใช่ไหมพอเราพอมันต้องการคืบเราตอบสนองมันมันก็เลยเจริญเติบโตเป็นต้องการสอกขึ้นมาแล้วเพราะพอตอบสนองให้มันได้สอกมทีนี้มันก็เจริญเติบโตขึ้นอยากจะได้วาละ มันจะขยายไปเรื่อยๆจะริ่เติบโตไปเรื่อยๆถ้าเราตอบสนองความอยากของเราถ้าเราต้องการที่จะหดตัวมันให้มันเล็กลงเล็กลงเราก็ต้องลดความอยากลงเช่นตอนนี้เราอยากได้วันละหมื่นก็ลองมาเปลี่ยนว่าลดแค่เอาอยากแค่วันละพันก็พอพออยากวันละพันแล้วใจจะเบาขึ้นใจจะสบายขึ้นไม่เครียดมากเหมือนกับอยากวันละหมื่น อย่างวันละเหมือนก็ต้องเดินนอนหามากขึ้นพ<ม>ออยากวันละพันก็เบาสบายทํำรายนิดทํำรายหน่อยก็ได้ลนะ<ม>แล้วพอเห็น<ม>เห็นว่าออทําอยากได้น้อยนีดกับดีก็เดี๋ยวอาจจะลดเหลือแค่วันละร<ม>้อยวันละสิบต่อไปก็ไม่เอาเลยก็ได้อยู่แบบไม่ต้องมีเงินก็ได้<ม>ถ้าเรามีความสงบมีความสุขใจแล้วมันจะไม่หิวโหยกับสิ่งตา่างๆยกเว้นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายเท่านั้นที่ยังจําเป็นจะต้องมีอยู่ คือปัจจัยสี่อย่างนี้อันนี้งดไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของหรูหราของแพงแพงของวิเศษมันทำหน้าที่เหมือนกันเสื้อผ้าราคาถูกราคาแพงมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันมันไว้ปกปิดร่างกายที่อยู่อาศัยมันก็มีไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนจะเป็นบ้านราคาร้อยล้านหรือบ้านเช่ามันก็เป็นบ้านเหมือนกัน เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่มีเงินอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็อาศัยร่มไม้เนี่ยที่ราโยมนั่งอยู่ใต้โคนไม้นะแถวนั้น น, นั่นแหละคือที่อยู่สมัยพระพุทธการของของนักบวชเนี่สมัยนั้นไม่มีใครเขาศรัทธาสร้างวัดสร้างที่อยู่อาศัยให้นักบวชก็เลยมักจะต้องไปอยู่ตามโคนไม้ พระพุทธเจ้าเวลาบสถใหม่ๆท่านก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามร่มไม้หลบแดดหลบฝนได้ท่านก็อยู่ได้สําหรับร่างกายท่านทําพล่านกายเพื่อร่างกายเพราะว่าจิตใจของท่านไม่หิวโหวยจิตใจของท่านไม่ได้หิวโหวยกับขรอรหัสอันใหญ่โตบ้านหลังใหญ่บ้านสวยบ้านงามอะไรต่างๆท่านเพียงแต่ต้องการที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยให้กับร่างกายเท่า น, นั้นเอง และท่านก็ไม่หวั่นไหวว่าถ้าหลบไม่ได้<ม>เพราะท่านก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีมไม่ว่าจะอยู่ใต้โคนไม้ไม่มีอะไรบุงบงังอาจจะถูกสัตว์ร้ากัดตายก็ได้หรือจะอยู่ภายในกระหหารอันปลอดภยัยก็โดนโรคหัวใจวายกินตายก็ได้ ม, มันหนีไม่พ้นหนอกความตายถ้าเรามีปัญญาพิจารณาแล้ว<ม>เราก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการ าปัจจัยสี่เกินเหตุเกินผลเกินขอบเกินเขตเนะเพราะว่ามันวิเศษขนาดไหนมันก็มาหยุดความตายของร่างกายไม่ไดนะ้มันเพียงแต่มาคอยสนับสนุนให้อยู่ไปตามอัถภาพของของร่างกายไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันไม่มาสามารถที่จะมายับยั้ง ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหรือความตายของร่างกายได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องตายไม่มีใครมายักยั้งมันได้นะต่อให้อยู่ในที่ปลอดภัยขนาดไหนก็ตามนะอยู่ในห้องปลอดเชื้อมันก็ยังตายได้มันไม่ได้ตายเพราะเชื้อโรคมันก็ตายเพราะไม่มีลมหายใจไม่ถ้ า, าไม่หายใจมันก็ตายได้เนหะมนันราะนั้นมันมีสาเหตุที่จะทำให้ตายได้เยอะแยะไปหมด แล้วการมีบ้านที่อยู่อาศัยนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันความตายเพียงแต่ป้องกันภัยที่อาจจะไม่ไม่ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะตายเท่านั้นเองแต่เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายมันจะตายแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะปลอดภัยขนาดไหนก็หนีไม่พ้นความตายก็ได้ เห็นคนที่มีปัญญาจึตไม่ค่อยวุ่นวายกับการหาที่อยู่อาศัยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยอยู่วังเนี่ยมีพระราชวังสามฤ ด, ดู่มีมีรอปภคอยคุ้มครองรักษาตลอดเวลาแต่ท่านก็ยังไม่มีความสุขแต่พอท่านมาอยู่ออกจากวังมาอยู่ใต้โคนไม้ใต้ตลำไม้แล้วก็มามีเวลามาทำใจให้สงบระงับอารมณ์รักชังกลัวหลง ใจกับมีความสุขเพราะความกลัวหายไปเพราความกลัวหายไปแล้วมันร่างกายจะตายหรือไม่ตายนี้ใจไม่ได้ไปสนใจไม่ไปวุ่นวายไอ้ตัวที่ทําให้ใจเราวุ่นวายกับความเป็นความตายของร่างกายก็คือความกลัวนี่องความกลัวภายในใจของเรากลัวนู่นกลัวนี่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวแก่กลัวยากจนกลัวอดอยากขาดแคลน ค, ความกวนตัวนี้แหละมันที่มาสร้างความทุกข์ใจต่างๆให้แต่พอเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าทำยังไงถ้าถึงเวลามันจะมันจะเจ็บก็ต้องเจ็บแล้ะเวลามันจะตายมันก็ต้องตายเวลามันจะอดก็ต้องอดก็ทำใจได้ทำใจว่าเออมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปตอนนี้ดูแลมันได้ก็ดูแลมันไปแต่ดูแลแบบสบายใจดีกว่าดีกว่าดูแลแบบ เพียดต้องคอยหาเงินหาทองมาคอยเลี้ยงดูมาร่างกายมันเลี้ยงมันแบบเลี้ยงหมาดีกว่าเราเลี้ยงหมาแล้วไม่ค่อยเครียดกับหมาใช่ไหมมีอะไรให้มันกินแล้วก็ให้มันกินแบ่งให้มันกินไปวันวันหนึ่งหมามันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้เพราะมันมีที่หลบแดดหลบฝนหน่อยมันก็อยู่ได้เร่างกายเราเราไม่ควรที่จะไปพิถีพิถันกับมันมากนะ ถ้าเลี้ยงมันแบบเลี้ยงหมาได้ใจเราจะสบายขึ้นเยอะแยะนี่คือวิธีที่พระเจ้าใช้เลี้ยงดูร่างกายของท่านนะท่านเลี้ยงร่างกายของท่านเหมือนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาตัวหนะึ่งที่อยู่เห็นไหมก็เคยอยู่ในวงังก็จับออกมาอยู่ตามในป่าตามโคนไม้เพราะว่าท่านต้องการใช้สถานที่ในป่านี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ทําใจให้สงบนั่นเอง เพราะว่าถ้าอยู่ในวังนี้มันมีเครื่องบรบกวนใจเยอะมีรูปเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆมาคอยอคอยขวางไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบแต่พอไปอยู่ในป่าไปอยู่ในที่ไม่มีรูปเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆนี้ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วท่านก็เลยยอมยอมให้ร่างกาย อ, าอยู่แบบสุนัขตัวหนึ่ง เพื่อที่จะได้สร้างความสุขทางใจซึ่งเป็นความสุขที่สาคัญกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ไปตลอดร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเข้าสู่ความตายไปถึงความตายในที่สุดแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตายตอนตอนแก่เท่านั้น ตายได้ทุ ก, ทกอายุเกิดมาวันหนึ่งตายก็มีเจ็ดวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีมีทุกอายุไขถ้าไปดูสถิติของคนตายดูจะพบว่าคนตายนี้ไม่ใช่ตายตอนอายุแปดสิบเก้าสิบเท่านั้นมีตายได้ทุกอายุด้วยกันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆ ท, ท, ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ ดังั้นการที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขใจนี้เราต้องตรงให้ได้ต้องยอมรับว่าชีวิตของเรานี้ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ดังั้นอย่าไปเครียดกับมันเพราะว่าเราต้องการกําจัดความเครียดวิธีที่จะกําจัดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายก็คือเลี้ยงมันไปตามอัตภาพตามมีตามเกิดก็พออย่าไป ให้มันกลายเป็นภาระขึ้นมามีอะไรมีกำลังซื้อบ้านขนาดไหนอยู่ <S <S ก็ซื้อมันไปอยู่มันไปไม่มีกำลังซื้อบ้านก็เช่ามันไปมีกำลังเช่าระดับไหนก็เช่าไปขอให้มีที่อยู่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอแต่อย่าให้มันมาเป็นภาระทางจิตใจมากดดันให้จิตใจต้องเครียดเพราะจะขาดทุนเพราะความสุขที่แท้จริงนี่มันอยู่ที่ใจเนี่ย ความสุขที่ร่างกายนี้มันเป็นเพียงเซี่ยวเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขทางใจหรือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจความสุขทางใจนี่สิบเท่าของความสุขความทุกข์ทางร่างกายเห็นไหมถ้าเราัวไปให้ความสำคัญต่อการสร้างความสุขทางร่างกายเราอาจจะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเราไป สร้างความสุขทางร่างกายเกินความสามารถของเราเช่นอยากจะได้บ้านสวยๆงามๆแต่ไม่มีเงินสดซื้อก็ยอมผ่อนพอมีบ้านแล้วก็ยังต้องซื้ออย่างอื่นเข้าไปใส่ในบ้านอย่างเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆตอนไหนจะต้องซื้ออุปกรณ์ซื้อรถยนต์ซื้ออะไรมาอีกมันก็เลยกลายเป็นภาระอันหนักยิ่งขึ้นมารายได้ก็ ม, ไมีไม่พอที่จะจ่ายแบบ ได้ทีเดียวก็ต้องผ่อนสงก็ต้องมาเครียดกับการหาเงินหาทองแล้วเกิดเวลามีปัญหาต้องตกงานหรือบริษัทเขามีปัญหาปิดไปทีนี้ก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่แต่ถ้าเราหาถ้าเราใช้เลี้ยงดูร่างกายตามกําลังของเราเก็เราก็จะไม่เดือดร้อนมากแล้วเราก็อาจจะมีเงินเก็เกบสะสมเอาไว้ เผื่อเวลาวันหน้าถ้าเกิดเราตกงานดุลเศรษฐกิจไม่ดีรายได้น้อยเรากย็ยังมีเงินสะสมม า, มาใช้ใจ่ายเลียงดูร่างกายของเราได้อยู่ถ้าเราเลี้ยงดูร่างกายแบบเรียบง่ายไม่ไม่ฟุงฟฟ้งเฟ้อไม่ฟุ้งเฟยเอาแบบธรมธรมดาธรรมดานะ เงินทองที่เราต้องมาใช้กับร่างกายก็อาจจะไม่ต้องมากก็จะมีเงินสะสมเผื่อไว้วันข้างหน้าได้เผื่อวันข้างหน้าเกิดเราตกงานหรือไม่มีไรายได้หรือไม่สบายเราก็ยังมีเงินสะสมมาเก็บสำรองมาคอยเลี้ยงดูร่างกายของเราต่อไปได้เราก็จะอยู่อย่างสบายใจ สบายใจทั้งในขณะที่เรามีงานทำและสบายใจในขณะที่เราไม่มีงานทำนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องถ้าเราต้องการความสุขความสุขทางใจนี้สำคัญกับความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายนี้ไม่สำคัญมากขอให้มัน อ, อยู่ได้ก็พอแล้วขอให้ร่างกายมันอิ่มมันไม่หิวกับอาหารไม่ขาดอาหาร ไม่มีที่ปลอดภัยหลบแดดหลบฝนได้เ้วก็มีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่มียารักษาโรคไว้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเท่านี้เราก็อยู่อย่างมีความสุขได้ไม่ต้องเครียดกับการหาเงินหาทองมากจนเกินไปแล้วก็จะได้มีเวลาที่จะได้มาสร้างความสุขทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากความสุขที่ได้จากการที่เราไม่ไปเครียดกับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วยังต้องมีต้องหาความสุขจากการทําใจให้สงบให้ได้เพราะถึงแม้ว่าเราไม่เครียดกับร่างกายแล้วก็ยังไปเครียดกับกับความอยากของเราอยู่เรายังมีกิเลสตัณหาต่างๆอยู่ยังอยากได้นั่นยังอยากได้นี่ยังอยากมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่อันนี้ก็ต้องพยายาม จเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้าเรามันจเจริญสติคอยควบคุมความคิดของเราได้เราก็จะควบคุมอารมณ์อารมณ์รักชังกลัวหลงได้อารมณ์รักชังกลัวหลงนี่มันเกิดจากความคิดตรุงแต่งของใจพอใจเห็นอะไรปับ๊บไปคิดตรุงแต่งปับ๊บก็จะเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าใจไม่คิดตรุงแต่งเวลาเห็นอะไรใจก็จะรู้เฉยๆ ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดกลัวไม่มีความรักชังกลัวหลงแต่อย่างใดแล้วใจของเราก็จ ะ, ะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลำดับมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอปัญญาเราฉลาดแหลมคมแล้วสมาธิของเรานี่ว่างอยู่เรื่อยๆ เราก็จะสามารถที่จะเข้าไปสู่ธรรมขั้นสูงได้คือขั้นของพระอริยบุคคลขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิทาคามีขั้นของพระอนาคามีขั้นของพระาา อ, อนาาันต์นาาได้ด้วยการใช้ปัญญาไปตัดสังโยชน์สังโยชน์ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี่แหละที่รวมตัวกันเป็นสังโยชน์ สังโยชนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเร า, ามีความทุกข์พอตัดสังโยชน์ได้ความทุกข์ก็จะหายไปสังโยชน์ที่ขั้นแรกที่เราต้องไปตัดก็คือความไปรักร่างกายของเราไปหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราซึ่งถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสมาธิแล้ว เราจะเริ่มเห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้เป็นเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์ส่วนเรานี่คือใจนี่ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์เราก็จะเริ่มแยกแยะได้ว่าเรานี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายนะเราอยู่ที่ใจเวลาร่างกายเป็นอะไรไป เราจะไม่ได้เป็นไปกับร่างกายร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเวลารถเสียคนขับก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถคนขับก็เอารถเข้าอู่ไปซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งไปขายไปขายเป็นซากเศษเหล็กไปร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่สบายถ้ารักษาได้ก็รักษาไปแต่ใจคือคนขับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรเฉ ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเหมือนกับคนขับรถไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ mm hmm. พอร่างกายตายไปใจก็ปล่อยมันตายไปเ mm hmm. พราะห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ mm hmm. จะต้องทำยังไง mm hmm. จะไปอยากให้มันไม่ตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร mm hmm. นอกจากไปสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับใจ mm hmm. เพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะเครียดใจจะทุกข์นั่นเอง แต่ก็เห็นด้วยปัญญาว่าอร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปเพราะปล่อยได้ใจจะไม่เครียดกับความตายถึงแม้ว่ายัางไม่ตายก็จะไม่มีความกลัวตายอยู่ในใจต่อไปอยู่ได้อย่างสบายะจะตายเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนที่ใดนี่พร้อมเสมอเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเ อ, อันนี้ก็เป็นการ ตัดสังโยชน์สาหรับการที่เราจะมีแสงสว่างมีดวงมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็เห็นว่านี่แหละร่างกายของเราไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือผู้รู้ผู้คิดที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปไหนมาไหนอย่างวันนี้เราอยากจะมาวัดเนี่ยเราคิดก่อนแล้วใช่ไหมคิดว่าวันนี้อยากจะไปวัด อยากจะไปฟังเทศฟังธรรมอยากจะไปทำบุญถ้าไม่มีร่างกายเราก็มาไม่ได้แต่พอเรามีร่างกายเราก็สั่งให้ร่างกายมาที่นี่พอถึงเวลาเราก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาเราเป็นคนขับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ตอบสนองความอยากของเราเราอยากจะทำบุญเราอยากจะให้ใจเรามีความสุขเพรเรารู้ว่า ความสุขทางอื่นนี้สู้ความสุขจากการทำบุญไม่ได้เวลาทำบุญแล้วใจเรามีความสุขมากกว่าเวลาที่เราไปเที่ยวกันเวลาไปเที่ยวนี้มันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขแบบแบบเดียวๆเพรพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดแต่ความสุขที่เกิดจากการไปทำบุญนี้มันจะอยู่กับใจนานกว่ากลับไปบ้านแล้วใจก็ยังมีความสุขจากการทาบุญอยู่ ก้เลก็ทำให้เราอยากจะมาทำบุญกันก็ต้องมีร่างกายพามาแต่เรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายนี้มันจะต้องแก่ไปเรื่อยๆตอนนี้มันยังแข็งแรงอยู่แต่ต่อไปมันก็จะต้องค่อยอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆเพราะเราเห็นร่างกายของคนที่เขาเกิดก่อนเราเห็นร่างกายของปู่ย่าตายายร่างกายของพ่อแม่เราเราก็จะเริ่มแก่ลงไปแก่ลงไป ต่อไปก็เป็นคิวของเราถึงเราต่อไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าแต่ถ้าเรามีปัญญามีแสงสว่างเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้สั่งผู้ใช้ร่างกายเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เราก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีวนันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย อันนี้คือปัญญาที่เราจะต้องสอนใจเราเพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับเวทร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่ล่างกายเจ็บหรือร่างกายตายไปพอเราเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยแสงสว่างแห่งธรรมว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เที่ยงถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วรับประกันได้ว่าเราจะไม่ทุกข์ใจก็จะหายทุกข์ในระดับ ที่หนึ่งระดับของพระโสดาบันแต่ยังมีความทุกข์ที่ใจยังตัดไม่ขาดอยู่อีกหลายหลายมีสังโยชน์ทั้งหมด10 1สสังโยชน์ด้วยกันพระโสดาบันนี้ก็ตัดได้สสังโยชน์ส่วนอีก7นี้ก็ต้องทำต่อไปทำไปเรื่อยๆต่อไปก็ใช้ปัญญาแบบเดียวกันนะทุกอย่างนี้มันจะต้องอาศัยการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา ในสิ่งต่างๆที่ใจไปรักไปชอบไปอยากได้หรือไปชังก็เหมือนกันถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วต่อไปก็จะตัดความรักชังกลัวหลงได้อย่างถาวรพอไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่ในใจแล้วความทุกข์ในใจก็จะหายไปหมดใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือใจของของผู้ที่ได้รับแสงสว่างแห่งธรรม ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครเป็นผู้ค้นพบแสงสว่างแหงธรรมนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้าโดยเป็นของธรรมชาติแสงสว่างแห่งธรรมนี้ก็เป็นเหมือนแสงอาทิตย์เนี่ยแต่แต่ว่าเราหากันไม่เจอเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันเราต้องให้พระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราว่าแสงสว่างแห่งธรรมนี้อยู่ตรงไหนให้เราไปขุดไปค้นหากัน เป็นเหมือนไฟฉายไฟฉายอยู่ตรงไหนเราทาถ้าเราตาบอดเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนต้องให้คนตาดีเขาบอกว่าอยู่ตรงนู้ น, นเดินไปตรงนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็จะได้ไฟฉายมาฉายฉายให้เห็นแสงสว่างเห็นแสงต่างเห็นสิ่งต่างๆได้ทัในใดนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ค้นพบไฟฉายแสงสว่างแหง่งธรรมคนแรก เราคนพบแล้ว ท, ท่านก็บอกให้พวกเราไปค้นหาเราพวกเราทุกคนต้องหาของเราเองแสงสว่างแห่งธรรมนี้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกนมันอยู่ในใจของเรานี่เองเราต้องเข้าไปค้นหาในใจของเราและวิธีค้นหาก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองค้นหาด้วยการทาบุญทำทานในเบื้องต้นแล้วก็ไปรักษาศีลกันก ร, รักษาศีลห้ารักษาศีลแปด แล้วก็ถา้าแล้วก็ไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาฝึกสอนปัญญาให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอ เ, เห็นแล้วแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นมา ท, าทันทีแล้วเราก็จะได้ละสังโยชน์ละความอยากละกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มันมาสร้างความทุกข์ ที่มันพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ให้มันหายไปจากใจให้หมดสิ้นไปพอมันหมดไปจากใจแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็หายไปทันทีแล้วการจะกลับมาเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดสูงเกิดต่ำเกิดร่ำรวยแล้วเกิดยากจนร่างกายเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันซึ่ง เวลาเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอไม่มาเกิดแล้วความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีความสนใจฝ่รู้ในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและมุ่งมั่นตั้งใจเข้าหาธรรมด้วยการมาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้เมื่อฟังแล้วก็เอาไปคิดค่ายควร ให้เกิดความเข้าอกเข้าใจว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์จากธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทําทานเราต้องรักษาศีลเราต้องฝึกสมาธิต้องเจริญปัญญาพอเรานํำมาไปทำต่อไปแสงสว่างแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาในใจแล้วความทุกข์ความความ ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะหายไปจากใจเหลือแต่ความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับใจของเราไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเรวะหาตุาปริกุเลนติสากหลังเอวเมีวอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิช oh ิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสักปาจันโทปนะละโสยะถาหนนโชติละโสยะถา สัพพิติโยวิวัจจันโุสัพพะโรโควินาศตุมะเตภวะตวันตะลายโสุขิตายุโกภวาอภีวะตนสิรุตสะนิจังวุทธาปจายโนจัตารุธรมมวัฏฐานติอายุวนโอสุขังภะละ าลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามท่านใดมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่ถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็ไม่สะดวกถ้าอยากจะถามถามในช่วงนี้ได้เลยเชิญวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ กราบนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ทางเฟซบุ o กสามร้อยยี่สิบเก้ายูสองรอยยี่สิบห้าวิทยุออนไลน์สิบสองผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสามสิบสามรวมห9ร้อยเก้าสิบเก้าท่านเจ้าค่ะวันนี้ไม่ได้ดบยาถ้า <c oughs> <c oughs> ดบยาก็คนยหญ่รูเยอะต้องส่งไปทางไอ่ะ <c oughs> <c oughs> ครับนมสัส ก, การนะครับก็มาปฏิบัติธรรมถือสิงแปดครับแล้วก็พยายามภาวนาพุโทโธพุธโทโธครับแต่ก็เมื่อเช้าไปที่หอฉันครับท่านเจ้าวาท่านก็เทศนาแล้วท่านก็มีคำถามว่า ที่ท่องการพุโทโธพุโทโธเนี่ยเข้าใจไหมว่าพุโทโธเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงในการที่เราจะใช้ในการบริกรรมนะครับทีนี้ผมก็เลยพยายามเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็แปลว่าพระเจ้านะครับแล้วก็เราก็พยายามเดินขึ้นเขาชีโอนครับเผื่อว่าเราจะคิดอะไรได้ลงเขามาแล้วผมก็คิดไม่ออกครับก็เลยคิดว่าจะถือโอกาสนี้ถามพระอาจารย์ว่าคําว่าพุโทโธมีความหมายอย่างไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรต่อการบริกรรมครับ คำว่ออาพุทโธคือไม่ให้คิดไงเดี๋ยวต้องพุทโธเพืจะได้ไม่ให้คิดเท่านั้นเองให้รู้แค่นี้ก็พอการปฏิบัติไม่ต้องรู้มากไปกว่า น, นั้นะ ค, ความคิดของเรานี่มันเป็นภัยกับเราเนี่ยเป็นหอกทิ่มแทงใจเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจก็เพราะความคิดของเรานี่เองไม่ใช่คนอื่นทําให้เราเศร้าสศกเสียใจเราเป็นคนไปคิด มันเลยทาให้เราเศร้าโศกเสียใจพอเราไม่ไปคิดความเศร้าโศกเสียใจก็หายไปนั่นคำว่าพุโทโธคือไม่ให้คิดให้รู้เฉยๆผู้รู้ออกมาผู้รู้พุโทโธคือผู้รู้ให้รู้เรามีสองส่วนเรามีผู้รู้กับผู้คิดเรามักจะเอาผู้คิดออกมานำหน้าผู้รู้อยู่ข้างหลัง<ม>ผู้คิดมันก็เลยมามาทิ่มแทงหัวใจเราอยู่เรื่อยๆ พอเราะยุดผู้คิดได้ก็เหลือแต่ผู้รู้<ม>ผู้รู้ก็รู้เฉยๆใครด่าก็รู้เฉยๆใครชมก็รู้เฉยๆไม่ต้องคิดเท่า น, นั้นเองแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายฉะนั้นขอให้รู้ว่าท่องพุทธเถผูเพื่ไม่ให้คิดมไม่จำเป็นรู้ความหมายของพุทธพุทธก็คือแปลว่าผู้รู้ไนงะ ผู้รู้คือพุทธทรพระพุทธเจา้าก็คือผู้รู้ด้วยตนเองรู้ธรรมรู้แสงสว่างแห่งธรรมด้วยตนเองก็เรียกว่าพระอันต์ตัส ม, มสัมพุทธโธท่ mm hmm. ทานั่นเองเขาว่าพุทธโธแปลว่าผู้รู้ mm hmm. ใจเรานี้มีสองส่วนมีผู้รู้กับผู้คิดแต่ผู้รู้นี่ถูกผู้คิดนำหน้าอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ก็เลยมีเรื่องวุ่นวายตลอดเวลาพอเราหยุดผู้คิดได้ปับ๊บผู้รู้ก็จะนาหน้าผู้รู้ก็จะรู้เฉยๆใครจะด่าก็รู้ใครจะชมก็รู้แต่ไม่ไปคิดว่าเขาด่าเขาชมเราก็คิดว่าเป็นเสียงไป ม, มันเป็นแค่เสียงเท่าเสียงด่าก็เสียงเสียงชมก็เสียงแต่พอไปแปลความหมายปั๊บนี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องด่าเรื่องชมขึ้นมาใช่ไหม เนี่ยเวลาเราเสียงฟังเสียงนกนี่เรารู้ว่ามันด่าเราหรือชมเรารู้เปล่าเห็นไหมรู้ว่าเป็นเสียงนกใช่ไหมแล้วเป็นไงสบายไหมฟังเสียงนกสบายถึงแม้มันจะด่าเราเราก็สบายใช่ไหมเพราะเราไม่ไปคิดว่ามันด่าเราเข้าใจไหมงั้นอย่าไปคิดว่าเขาด่าเราอคิดว่าเป็นเหมือนเสียงนกร้องเสียงด่าเสียงชมก็เหมือนเสียงนกร้องเราไม่รู้ว่าเขาด่าหรือเขาชม ถ้ารู้ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปทําได้เปล่าปัญหาคือเราทําใจให้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ฟังรักชังกลัวหลงขึ้นมาทันทีงั้นต้องมาฝึกใจใหม่ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ก็รู้ <c oughs> อย่าให้ความคิดมาหลอกเราว่าเป็นนู่นเป็นนี่ <c oughs> มันเป็นเพียงความคิดเอ่านความจริงมันเป็นแค่เสียงแต่เราไปว่าเสียงดีเสียงไม่ดี <c oughs> เสียงไทยล้เสียงหยาบเสียงอะไรไว้เสียงเป็นเป็นสมมุติไปหมดพวกนี้เป็นสมมุติความจริงมันเป็นแค่เสียงเหมือนเสียงลมพันดมันก็เสียงเสียงนกร้องก็เสียงทําไมเสียงลมพัดเสียงนกร้องไม่ทําให้เราปวดจตปวดร้าวในจิตใจแต่เสียงด่าคําเดียวนะี่หอกนี่ปวดไปทั้งวันทั้งคืน นะนี่คือปัญหาของความคิดเนี่ยถึงให้ต้องใช้พุโทโธพุโทโธจะได้หยุดความคิดเสียทีให้รู้เฉยๆนะโอเคคำถามฝากถามเจ้าค่ะลูกและพเพื่อนๆได้อ่านบทความที่ส่งกันอย่างแพร่หลายในไลน์เนื้อหาตรงกับที่พระอาจารย์เทศก็มีอยู่เจ้าค่ะ แต่มีเนื้อหาบางส่วนที่ลูกและเพื่อนๆสงสัยและไม่เข้าใจเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายเนื้อหาคือจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นสิ่งชีว้วัดว่าชาติหน้าเราจะไปเกิดเป็นอะไรจิตสุดท้ายในวินาทีสุดท้ายเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดความเศร้าความกลัวการยึดติดและความเจ็บปวดจะดึงให้ไปปฏิสนธิในภูมิเบื้องต่ำตามที่เคยฟังเทพพระอาจารย์มีความเข้าใจกันว่าภพภูมิที่จะไปเกิดนั้นขึ้นอยู่กับบุญและบา ที่เราทำสะสมไว้แล้วกฎแห่งกรรมจะรวบรวมคิดบัญชีตอนเราตายว่าดวงวิญญาณจะไปเกิดภพภูมิใดไม่เกี่ยวกับจิตดวงสุดท้ายพวกโยมเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องจิตดวงสุดท้ายก็เหมือนวันที่เราปิดบริษัทไงเราปิดบริษัทแล้วก็ต้องคิดบัญชีกำไรหรือขาดทุนเพราะถ้ายังไม่ปิดมันก็ยังคิดไม่ได้ก็ยังมีรายเข้ารายออกาลายรับลายจ่ายอยู่ แต่พอเราปิดบริษัทปุ๊บเราก็สามารถทำบัญชีได้ว่าบริษัทเรานี้กำไรหรือขาดทุนอันนี้ก็เหมือนกันจิตสุดท้ายเป็นเวลาที่เรามาคิดบัญชีบุญกับบาปของเราจะมานั่งจะมานั่งทำบุญกับบาปในเวลาจิตสุดท้ายไม่ทันแล้วไม่พอมันเป็นเวลาคิดบัญชีเนี่ยมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติขึ้นมาทันทีคำถามฝักถาม น, น้ากุฏิเจ้าค่ะ ลูกให้เงินแม่ไว้ใช้แล้วแม่แบ่งเอาเงินมาซื้อของทําบุญถวายปัจจัยพระแม่บอกว่าลูกได้บุญทุกอย่างที่แม่ทําลูกจะได้บุญอย่างนั้นหมาเจ้าคะลูกได้ตั้งแต่ให้แม่ไปแล้วนะเนี่ยเงินที่เราให้แม่นี้เป็ น, เ, ปนเงินทําบุญอยู่แล้วส่วนแม่จะไปซื้อเหล้ากินหรือไปเล่นการพนันหรือจะไปเที่ยวหรือไปทําบุญนี้เป็นเรื่องของแม่เขาแม่เป็นคนได้รับผลจากการใช้เงินก้อนนั้นที่เราให้ไป แต่เราได้บุญตั้งแต่ตอนที่เราให้แม่ไปแล้วเราได้ทำบุญแล้วการทำบุญก็คือแปลว่าการให้ทานแปลว่าการให้ถ้าเราให้โดยไม่มีเงื่อนไขก็ได้บุญนะแต่ถ้าให้โดยเงื่อนไขก็จะไม่ได้บุญเช่นเราไปร้านเซเว่นวเราบอกเอาเอาไส้กรอบมาหอ่อหนึ่งเราให้เงินเข้าไปเขา้ายไส้กรอบล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญเพราะเราไปมีเงื่อนไขเราเราต้องการของตอบแทน ถ้าอยากจะได้บุญนี้ต้องให้แบบไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ให้แม่แล้วแม่ต้องเอาไปทํานู่นทํานี่นะอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วถ้าบอกแม่อให้เงินแม่แล้วแม่เอาไปทําบุญนะแม่ไม่ได้บุญนะเราเป็นคนได้บุญเพงแต่เราใช้แม่ไปทําบุญแทนเราเท่านี้แต่ถ้าเราให้แม่เฉยๆโดยที่ไม่บอกว่าให้ไปทําบุญหรือไปทําอะไรแล้วแต่แม่เราได้บุญแล้วเวลาแม่ไปทําบุญแล้วแม่ก็ได้บุญอีกต่อหนึ่ง ถามฝากถามหน้ากุติเจ้าคะ่ะถ้าหากต้องการสร้างอาชีพด้วยการรับเนื้อสัตว์เช่นหมูไก่มาขายเราจะต้องมีส่วนร่วมในการรับกรรมด้วยหรือไม่เจ้าคะ่ะถ้าเราไม่ไปสั่งเขาให้ค่าก็ไม่มีส่วนแต่ถ้าเราสั่งไว้พรุ่งนี้เอาไก่สี่ตัวเอาหมูสองกิโลนี่เราก็มีส่วนนะเพราเราไปสั่งเขาแต่ถ้าเขาอยู่ดีเขาเอามาแล้วถามพี่วันนี้ต้องการไหมวันนี้มีไก่ ถ้าถามอย่างนี้ซื้อแบบสดๆร้อนๆแบบที่ของตายแล้วนี้ไม่มีไม่มีส่วนเหมืนกลับไปร้านอาหารเนี่ยไปชี้ปลาตัวนี้อปลาตัวนี้นะอยู่ในที่กําลังไหว่อยู่นี่นะ อ, อ, อย่างเงี้ยมีส่วนถึงแม้เราไม่ได้ฆ่าเราเป็นคนสั่งให้เขาฆ่าให้เราแต่ถ้าไปร้านที่เขามีปลาตายอยู่แล้วเราสั่งเอาปลาทอดมาตัวนึ่งเขาก็ทอดปลาที่ตายมาแล้วนี้เราไม่มีส่วนเพราะมันตายแล้วมันไม่ได้เกิดจากการสั่งของเราหรือจากการกระทําของเรา เน้นบาปเกิดขึ้นจากการสั่งเขาให้ทำให้เราก็ดีหรือทำเองก็ดีถือว่าเป็นบาปคำถามจากคุณจารุกิจเจ้าค่ะ ในขณะที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิการกำหนดจิตควรตั้งมัน่นไม่ให้มีความฟุ้งเข้ามาหรือควรกำหนดจิตธรรมดาไปเรื่อยเมื่อมีความฟุ้งหรือความนึกคิดจอเข้ามาแล้วค่อยกำหนดรู้กำจัดออกไปอย่างแรกก็ตึงเกินไปอย่างหลังก็ไม่ค่อยสงบรบกวนขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ ไม่ต้องไปสนใจหรอกเพียงแต่เดินไปแล้วก็ให้เรามีอารมณ์ควบคุมใจไว้ใช้พุทธโธก็ท่องพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูไปเช่นเราเดินก้าวเ ท, าท้าซ้ายก็ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าปล่อยให้ใจไม่มีอะไรควบคุมเพราะเวลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วหยุดมันยากแต่ถ้าเรามีอะไรควบคุมไว้ก่อนมันจะไม่โผล่ขึ้นมาคำถามจากคุณอังไพเจ้าค่ะ กราบน้ำรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมดูลมหายใจจนไม่เห็นลมแล้วให้กำหนดอยู่ที่เดิมโดยรู้ว่าไม่มีลมใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วก็ดูว่าใจคิดอะไรหรือเปล่าตอนนั้นถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดคาถามจากคุณกุสาวดีเจ้าค่ะ โยมนั่งสมาธิไปแต่มีภาวะจากการปวดหลังปวดเข่ามากจะทําอย่างไรถึงจะทําให้หมดภาวะนี้เจ้าคะก็ต้องมีสติถ้ามีสติดีเวลาร่างกายปวดนี้จะไม่ลบปวนใจจะนั่งทําสมาธิได้แต่ถ้าไม่มีสตินี้พอร่างกายเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็มีความสะเทือนใจตามมาทันทีนั้นต้องฝึกสติบ่อยๆฝึกมากๆก่อนที่จะมานั่ง พอเวลามานั่งก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรืออยู่กับการสวดมนต์ก็ได้อยู่กับลมก็ได้แล้วนะถ้าเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บเวลามันเจ็บมันจะไม่มารบกวนใจค่ะำถามจากคุณเพิร์ธพิษเจ้าค่ะอยู่บ้านสวดอภิธรรมที่บ้านไปพร้อมกับที่วัดได้กุศลเหมือนกันไหมเจ้าขาได้ที่ไหนก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นอยู่ที่สวดหรือไม่สวดอยู่ที่วัดไม่สวดก็ไม่ได้ <laughs> อยู่ที่ส่วนไม่ได้อยู่ที่สถานที่นะคำถามจากคุณกกษริ์จเจ้าคะ่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าจะอยากบวชเพราะคิดว่าโลกวุ่นวายเหลือเกินเกิดมาก็ต้องมาทนทุกข์กับผู้คนต่างๆเจอปัญหาต่างๆมากมายไปนิพพานดีกว่าจะได้จบจบกันไปผมคิดแบบนี้ได้ไหมครับได้ก็ต้องคิดแบบนี้ถึงจะไปได้ คำถามจากคุณกิติพงศ์เจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมได้พบกับคําถามที่ว่าหากเราสามารถอุทิศบุญกุศลให้ผู้อื่นได้แล้วเช่นนั้นเราจะสามารถอุทิศบาปที่เราทําให้ผู้อื่นได้หรือไม่ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ด้วยความเารคารพครับออพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ า, วาอุทิศได้อุทิศได้แต่บุญแล้วบุญก็ต้องเกิดจากการทําทางท่านไม่ได้บอกให้อุทิศบุญจากการการักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิท่านไม่ได้สอน ท่านสอนเพียงแต่บุญที่เกิดจากการทำทานให้แก่ผู้ที่รวงรับไปแล้วแต่ไม่ได้สอนเรื่องว่าการเอาบาไปอุทิศให้ผู้อื่นได้หรือไม่คำถามจากคุณน้ำหวานเจ้าค่ะมีสองคำถามเจ้าค่ะ คุณยายฝากถามว่าถ้านั่งภาวนาแล้วเห็นแสงสักพักก็จะมีก้อนดำๆมาทับที่แสงท่านก็จะป่วยตลอดเวลาที่เจอก้อนดำๆนั้นฝากท่านฝากถามว่าเกิดจากอะไรเจ้ า, า่ะเกิดจากจิตไม่มีสติไงต้องมีสติควบคุมมีพุโทโธพุโทโธอย่าไปสนใจกับแสงกับก้อนอะไรทั้งนั้นพอเวลาเราพุโทโธนี่บางทีเราเผลอเราเผลอปั๊บมันก็ทาให้เกิดของต่างๆปรากฏขึ้นมาได้ พยายามอย่าเผลอพยายามให้มีสติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องคำถามที่สองเจ้าค่ะคุณตาฝากถามว่าถ้าท่านใส่บาตรกับอาหารที่ทําด้วยตัวเองกับอาหารที่ซื้อเขามาท่านจะได้บุญเท่ากันไหมคะเท่ากันอยู่ที่ว่าการเสียสละเราเท่ากันหรือไม่ท่านเสียร้อยบาทซื้อกับข้ามาทําเองเสียร้อยบาทไปซื้อกับข้ามาใส่บาตรมันก็เสียร้อยบาทเหมือนกัน ก็ได้บุญเท่ากันคำถามจากคุณเชอเจ้าค่ะมีสองคำถามเจ้าค่ะ ดิฉันเลิกทำอาชีพผิดศีลที่ได้เงินเยอะมาเริ่มอาชีพใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนทำให้ไม่มีความชำนาญแล้วได้เงินน้อยกว่าอาชีพเดิมห้าเท่าทำให้พ่อแม่โกรธมากตัดขาดความเป็นลูกเพราะไม่มีเงินเลี้ยงดูเขาแบบนี้เรียกว่าอากัญยูใหมคะแล้วควรทำอย่างไรกับพ่อแม่ต่อดีเพราะตอนนี้เขาไม่เอาเราแล้วเจ้าค่ะ เราก็ยังถือว่าเขาเป็นพ่อแม่เราอยู่เราก็ยังรักยังเคารพเขาอยู่แล้วถ้าเรามีอะไรให้เขาได้เราก็ให้เขาต่อไปตามกำลังของเราการที่พ่อแม่มาบางับางคับให้เราจะต้องมีเท่านั้นเท่านี้มาเลี้ยงดูพ่อแม่นี้เป็นกิเลส ข, ของพ่อแม่อย่าไปถือโทษเขาอย่าไปโกรธเขาถือว่าเขาหลงความจริงเขาควรจะยินดีตามมีตามเกิดเพราะแต่ละคนนี้มีความสามารถ หาเงินหาทองได้มากน้อยไม่เท่ากันสิ่งนี้ก็สแสดงว่าไม่ได้รักกันด้วยด้วยความเมตตารักกันด้วยผลประโยชน์ถ้ามีผลประโยชน์ก็รักถา้าเขาไม่มีผลประโยชน์ก็บายบายหรังเขามีคำพูดว่า no money no honey <laughs> ไม่มีงินก็ไม่มีน้ำเพิ่มนะ <laughs> คำถามที่สองเจ้าค่ะคนข้างบ้านเขาทำเสียงดังเรายอมอดทนเงียบเฉยม า, มานานห้าปี จนตอนนอนก็ไม่ได้นอนทำให้ร่างกายไม่ปกติตอนนี้เริ่มมีเราเริ่มไม่เกรงใจเขาและมีทำรุนแรงกลับไปบ้างเขาก็เงียบลงไปบ้างแบบนี้หนูจะบาปไหมเจ้าคะเพราะเราเงียบมาแล้วห้าปีบอกเขาดีๆเขาก็ไม่สนใจเจ้าคะ่ะ ก็ถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขามันไม่บาปกถ้าเราเพียงแต่แสดงให้เขารู้ว่าเขาลอบกลนเราควรจะรั ง, งับการลอบกลนแล้ถ้าเขารั ง, งับก็ไม่น่าจะเสียหายนอกจากนอกจากถ้าเราไปตอบโต้เขาแล้วทำให้มันแรงขึ้นนี้ก็ก็ก็สู้อย่าไปตอบโต้ดีกว่าเทนเราไปไปตอบโต้เขาแล้วเราทาเสียงให้มันดังขึ้นกว่าเก่าอย่างนี้นี่ก็อย่าไปตอบโต้ดีกว่า ยอมทนไม่ดีกว่าดีกว่าที่จะไปตอบโต้เดี๋ยวเขาแรงขึ้นเราก็แรงกว่าเขาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็วระเบิดใส่กันนะตอไป กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่เราบอกแม่ด้วยถ้อยคําที่ดุแม่เพื่อไม่ให้เพื่อให้แม่ได้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ถูกต้องแบบนี้ผิดไหมเจ้าคะพระอาจารย์ผิดไม่ไม่คว ร, ไ ม, ควรไม่ควรที่จะไปสอนพ่อสอนแม่ไม่ควรที่ไปดูด่าว่ากล่าวพ่อแม่นะยกเว้นว่าท่านขอคําปรึกษาอย่างนี้เราก็ให้ความรู้กับท่านได้ อย่าถ้าท่านไม่ได้ถามเราไม่ได้ขอคำปรึกษาเราก็อย่าไปสอนอย่าไปสั่งอย่าไปดุด่าว่ากลาวพ่อแม่เปน็นนันขาด พ่อไม่ใช่ฐานะของลูกลูกเป็นผู้เรียนรู้จากพ่อแม่ไม่ใช่เป็นผู้สั่งสอนพ่อแม่หรือแม่ตะกูบาอาจารย์ก็เช่นกันญาติโยมบางคนชอบมาสอนอหลวงพี่กินอย่างนั้นนะหลวงพ่อกินอย่างนี้ต้องนอนให้พอนะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องม้องเรียกว่าเรื่องเสื อ, อ คำถามจากคุณกษิดเจ้าค่ะแกรบเรียนถามพระอาจารย์ครับการที่เราสั่งช่างให้สร้างบ้านก็ต้องมีสัตว์ในที่ดินที่จะต้องตายเหมือนกับการที่เราสั่งค้าขายเนื้อสัตว์หากเจตนาแค่ประกอบอาชีพขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายกรมจากสองกรณีนี้ด้วยครับก็บาปมากบาปน้อยไงถ้าเป็นอาชีพก็ทําทุกวันทําเป็นปีๆฆ่าสัตว์ไม่รู้กี่กี่พันกี่หมื่นตัว แต่ถ้าปลูกบ้านก็หนเดียวนั้นเองก็ขุดดินลงไปก็อาจจะเจอไส้เดือนบ้างเจออะไรบ้างก็มันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยหรือเป็นเรื่องที่มันจะอยู่ในโลกนี้มันจะให้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซน์ก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่พระก็ยังต้องอาศัยคนอื่นทำบากให้เช่นบางทีมีปัญหาเรื่องมดเรื่องอะไรก็ต้องบอกญาติโยมว่าเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องมด ญาติโยมเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเขาที่เขาต้องกําจัดวที่ในบ้านเขาอยู่แล้วเขาก็มากําจัดที่ที่วัดให้ด้วยในกระถานั้นเองคําถามจากคุณปรีชาเจ้าค่ะบุญที่อุทิศให้หากผู้รับมารับไม่ได้เช่นอาจจะติดอยู่ในอบายบุญนั้นจะยังอยู่รอผู้รับมารับตอนออกจาก อุบาอบายไหมครับเหมือนฝากสะสมไว้ในบัญชีไหมครับมันก็กลับมาอยู่ที่เรานะจะกลับมาอยู่ผู้ที่อุทิศไปให้หรือว่าเราเร า, เราก็อุทิศแบบครอบไปครอบจั ก, กรวาลก็ได้หรืออุทิศให้หนายนี้ถ้านายนี้ไม่มารับก็ให้หนายนั้นนายนี้ต่อไปให้สับประศัสให้เจ้ากรรมนายเวนอะไรไปก็ได้คําถามจากคุณมีชัยเจ้าค่ะกราบสอบถามพระอาจารย์ครับ ภาวนาพุโทโธกับลมหายใจให้สอดคล้องกันอย่างไรเป็นอย่างไรเจเป็นอย่างไรครับ อ, อ่ความจริงไม่ต้องใช้สองอย่างใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าง่ายดีถ้าจะใช้พุโทโธก็อยู่กับคำพุโทโธไปไม่ต้องสนใจเรื่องลมถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องใช้พุโทโธดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกไปท่งนี้ดีกว่าง่ายดีคำถามจากคุณหนุ่มอิสระเจ้าค่ะ เป็นคารวาส์โกนผมจะเหมาะสมไหมครับพระอาจารย์ก็เขากลนกันทั่วโลกไงจะเหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็เป็นเรื่องของแฟชั่นนีบางทีแฟชั่นโกนหัวบางทีแฟชั่นไว้หนวดไว้เขาั้นก็เปลี่ยนไปตามแฟชั่นค่ะค่ะคำถามจากคุณวุติชัยเจ้าค่ะคนที่แชร์หรือล้อเรียนพระพุทธศาสนาล้อเรียนศาสนาและ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเหล่านี้จะบาปหมครับผมเห็นแล้วเกิดความไม่พอใจสักเท่าไราไม่บาปถ้าเป็นพวกบวใต้น้ำบวที่อยู่โคลนตมตรงนี้จะไม่มีโอกาสโผล่ ข, ขึ้นมาเหนือน้ำได้เพราะว่าไม่มีศรัทธาในผู้รู้อย่างพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะอยู่กับความหลงอยู่กับความมึนเมาต่างๆ ก็เลยจะทําอะไรตามความรู้สึกนึกคิดของตนอยากจะล้อเลียนใครอยากจะดูถูกดูแคลนใครก็ทําทไปแล้วเดี๋ยววิบากกรรมก็กลับมาสนองตัวเขาเองเลยก็ต้องทอะไรอย่างใดก็จะต้องถูกเขาเกลับมาทําอย่างนั้นต่อไปอันนี้เวลาหมดแล้วนี่นะแต่มีอีกไหม ห, หมดพอดีนะอนโอเค